เรื่องกรรมฐานนะตัวสําคัญมากเลยก็คือเราจะทํำวิปัสสนาได้ไหมหลายคนไม่รู้จักวิปัสสนากรรมฐานรู้จักแต่เพ่งกล่าวว่าเพ่งไปเรื่อยๆหนะึงวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลมันบนรรลุไม่ได้หรอกเพ่งเพ่งอารมณ์ัเดียวเป็นสมถะเรอารามาโนปนิชฌานเพ่งอารมณ์ันเดีย ว, ย, ย, วยังถ้าไม่ได้ทํำวิปัสสนา คือการเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงนะไม่มีทางบรรลุมรรคผลผนิพพานนั่นต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไปเลยก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันคนที่บารมีเต็มจริงๆนะสมัยพุทธกาลนะบางคนเขาบารมีเต็มได้ยินคนสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนยะจิตซึ่งมันเต็มแล้วนะมาขาดเลยนะได้พระโสดาก็มี บางคนไม่เคยเจอพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินคำว่ารูปนามมีเยอะเลยสมัยพุทธกาลเนื้อบารมีเขามากอย่างอนาทปินทิกะเนี่ยไม่รู้จักขันห้าไม่รู้จักขันห้าเลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าฟังธรรมดาธรรมดานี่เองได้โซดานี่พวกที่เขาแก่กล้าเขาสะสมมามากพอแล้วแค่ใจเขามีพลังเพิ่มขึ้นนิดเดียวเขาขาดเลยนั้นเขา้องส ะ, สะสมมาก่อนที่พวกเรา ขาดทั้งสองอย่างนะขาดการสะสมปัญญาบารมีไม่ได้รู้รูปรู้รนามมาให้มากพออีกงานหนึ่งขาดบุญบารมีกําลังบุญยังไม่พอที่จะตัดสมัยพุทธ ก, กาลนะท่านเขาตัดง่ายเขาเคยทําเคยสร้างของเขามาแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่น้อยๆหรอกขนาดไม่ได้ยินเรื่องรูปนามนะพอใจเจอพระพุทธเจ้าเลยได้ยินสารเสด็จพระพุทธเจ้าเนยะอิ่มเอิบใจนะบุญมันเต็มขึ้นมาเนาะ กำลังมันพอคล้ายๆเคยซ้อมมาอย่างดีแล้วพอแรงพ้องก็ขาดเลยนี่พวกเราก็ต้องค่อยพัฒนาทั้งกําลังนะทั้งปัญญากําลังปัญญาจริงๆก็เป็นกําลังอันหนึ่งหลวงพ่อแยกออกมาเพื่อให้เห็นชัดๆนะว่ามีเดินปัญญาไปแต่จิตไม่มีพลังเนี่ยใช้ไม่ได้ส่วนที่ทําให้จิตมีพลังพละหมีศรัทธา เพียงพอไหมนะมีวิริยะไหมมีสติมีสมาธิมีปัญญาไห ม, มพระละหา้าถ้าพระลหเพียงพอนั้นก็ขาดบางคนมันขาดภาระอื่นๆสติสมาธิอะไรอย่างนี้ไม่มีหรือศรัทธาไม่มีเดินปัญญารวดไปเลยปัญญาลรำหน้าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าบางคนดูถูกพระพุทธเจ้าเลยนะบางคนปลามาตร่วงเกินพระพุทธเจ้า ถือว่ายิ่งปรามาา ร, ร่วงเกินได้นะยิ่งเท่แสดงว่าไม่ยึดถือนัโง่งสุดๆเลยนรโลภจะกินหัวเอาไม่มีหูมีตาพูดส่งเดชไปสอนกันด้วยซ้ําไปนะไม่ไม่ยึดถืออะไรเจอพระพุทธรูปนะั<ม>้เหยียบเล่นก็ได้อะไรก็ได้เพราะไม่ยึดถือเนี่ยนพวกปัญญาลรำหน้าฮอะไรๆก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดเพราะทุก อ, อย่างว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนนะ สศรัทธามีไม่ไม่มีศรัทธาอะไรเลยหูเก่งลูกเดียวเลยมีวิริยะไม่ไม่มีวิริยะไม่ได้ขยันหมั่นเพียรปฏิบัตินะไ อ, อ้อาก็จะว่างอย่าว่างไม่ยึดถืออะไรเลยสติมีไม่ไม่มีหรอกกิเลสท่วหมหัวอยู่มองไม่เห็นสมาธิมีไม่ไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านอันตรายมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาอย่างเดียวนยตัวอื่นไม่มีนี่เลวไหลที่สุดเลย ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนที่ไปสอนเขาเนี่ต้องระวังนะเี่จะไปสอนแต่ให้เจริญปัญญารวดไปเลยไม่ได้อีดสห้าต้องแก่กล้าเสมอกันไปพวกเราก็ค่อยๆฝึกฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มันมีสติบ่อยๆให้มันมีสมาธิคือความตั้งมั่นให้มากเคารพอ่อนน้อมในพระพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรทําในรูปแบบ แล้วเจริญปัญญาไปแม้ที่หลวงพ่อสอนสอนครบนะในพระห้านี่ให้สอนให้เคารพให้รักพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็เคารพรักด้วยการน้อมใจไปก่อนยังไม่เห็นจริงนะก็มีความเพียร น, นะทุกวันต้องปฏิบัติในรูปแบบต้องฝึกสติขาดสติไม่ได้ต้องฝึกสมาธิก็มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต้องเจริญปัญญาต้องแยกรูปแยกนามเหม็นงานที่สอนให้ทา งั้นเราต้องฝึกนะฝึกของเราอินรี่ห้าต้องครบถ้าเบื้องต้นนะคอยคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้คุณของพระพุทธเจ้ามีมากท่านมีปัญญาอย่างยิ่งท่านคนพบเส้นทางที่แสนจะยากขนาดท่านนนั้บอกเอามาบอกเรานะเรายังทําไม่ค่อยได้เลยกับพร่องกับแ่งแต่คนทําได้กม็มีแสดงว่า สิ่งที่ท่านคนพบนะั้นมันถูกต้องอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์นียหลวงพ่อต่ก่อนเห็นครูบาอาจารย์เยอะตะเวนไปหาครูบาอาจารย์มากมายไม่ได้สายวัดป่าอย่างเดียวนะไปสายอื่นก็มีที่ภาวนาเก่งๆเนี่ยนอกสายวัดป่าก็มีนอกรูนอกทางไปเลยก็เยอะนอกสายวัดป่าที่ท่านเก่งๆเน่อย่างครูบาพร ม, มจักรเนท่านเก่งหลวงพ่อกเกษมเข ม, มโกอะไรท่านเก่งเก่งของท่านนะ ไม่ใช่วัดป่าหรอกองหนึ่งที่เก่งนะแต่หลวงพ่อไม่ทันท่านไปหาไม่ทันคือหลวงปูบธธงป่บุตรดาหลวงปู่บุตดานะภาวนาสามพันสาเองเร็วกว่าเพื่อนเลยเร็วเนี่ยตะเวนไปนะเห็นครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะผ่องใสขนาดแกมากมากนะสดใสหลวงปู่ครัมใคๆรู้จักไหมหลวงปู่ครัมชื่อครํานะแต่ดูไม่ค่ําคร่า สดใสอายุร้อยกว่าปีอยู่ที่เมืองแกลงสิ้นไปแล้วล่ะใจดีเมตตาสูงจิตเนี่ยโเย็นช่ำเลยสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์เลยดีมากๆเลยท่านก็ฝึกของท่านนะคนละแบบคนละแนวกันมาท่านก็ดีของท่านอนะ่ะเห็นท่านนะโอ้สดใสแต่ละองค์แต่ละองค์แก่ขนาดไหนก็สดใส ท่านมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเจ็บป่วยขนาดไหนก็สดใสเห็นหลวงปู่สุวัตนะนั่งบนรถเข็นแท้ๆเลยนะโอ้ยฟองใสชังเลยสะอาดหมดจดเหลือเกนะินเราสก ป, ปกมอมแมมไม่ได้อย่างท่านสักทีอะไรเนี้ยมองไปโอ้งามนั่งรถเข็นนะจะกลือ น, น้ำลายยังกลืนไม่ได้เลยพระต้องคอยดูดน้ำลายให้นะ ท่านก็นั่งไปนั่งใกล้ๆท่านเนี่ยท่านก็ปลารบธรรมะสุขแท้นอสุขแท้นอแล้วก็มองท่านอ่ะสุขหรอหลวลงปู่เป็นเราเราทุกแท้นอเลยเนาะป่วยเสียขนาดหรือไปหาหลวงปู่เหลียนใกล้จะมารณาภาพนะไปหาท่านนะนอนอยู่บนเตียงแบบโรงพยาบาลนะแต่อยู่ที่วัดไปถึงพระก็ไขเตียงให้ท่านตั้งหลังขึ้นมาหลังขึ้นมานั่งขึ้นมาเท้าก็ยังเหยียดอยู่ โอ้ยผ่องใสงดงามดูจิตใจท่านร่าเริงจิตใจท่านเบิกบานท่านมีความสุขเนี่ยแก่ก็มีความสุขเจ็บก็มีความสุขจะตายอยู่แล้วยิ่งผ่องใสหนักขึ้นหนักขึ้นนะเนี่ยท่านต้องมีอะไรดีของท่านนะใ่ะการที่เราได้รู้ได้เห็นนะได้สัมผัสครูบาอาจารย์ที่ท่านดีของท่านจริงๆนะมันก็ทำให้เรามีศรัทธาขึ้นมาเหมือนกัน ว่าโอ้ท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่และองค์สรรเสริญพระพุทธเจ้านะแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องมีอะไรดีๆแน่เลยค่อยศรัทธาไปถึงพระพุทธเจ้าอีกเห็นลูกศิษย์แลือกสัตยาอาจารย์แนละลูกศิษย์ลอยถ้วยก็เสื่อมศรัทธาไปถึงอาจารย์เลยเนี่ยพอเห็นนะพะพุทธเจ้าท่านต้องดีแน่ ธรรมะที่ท่านสอนนะประณีตลึกซึ้งยิ่งภาวนานะยิ่งจับจิตจับใจโอ้งามเหลือเกินธรรมะของท่านงามในเบื้องต้นงามในถ้มกลางงามในที่สุดมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจมากขึ้นมากขึ้นนศรัทธามันแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วศรัทธาของเราจะไปเต็มตอนเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันนะยอมตายถวายชีวิตเลยใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดโกหกเนี่ยไม่เชื่อเด็ดขาดเลย รู้แล้วว่าท่านพูดจริงสอนของจริงท่านสะอาดหมดจดจริงแ้วเราก็ได้สัมผัสความสะอาดหมดจดอันนั้นด้วยการปฏิบัติของเราเองดันัศรัทธาเนี่ยจะแก่กล้าขึ้นตามระดับของการปฏิบัติของเราเองปฏิบัติถูกแล้ศรัทธาจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยเรือยหรือบิรยาก็เหมือนกันหัดใหม่ใหม่ขี้เกียจขี้คล้านครูบาอาจารย์ขอวันหนึ่ง1ิบานาทีให้ไม่ค่อยจะได้เลยอยากได้นิพพานเวลาอ้าปากขึ้นมาขอนิพพานนะ แจะให้ภาวนาสิบนาทีไม่เอาท้อแท้หมดแรงขาดกําลังใจ <c oughs> อุ้ยฟังแล้วอือม <c oughs> วิริยะใช่ไหมหัดใหม่ๆนะโอ้ยภาวนานี้นิดหน่อยๆนะจะเป็นจะตายเนี่ยพอเราค่อยเห็นผลนะอย่างหลวงพ่อหลอกล่อเอาสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีอนะไรเงี้ยพอทําน้อยๆรู้สึกมีความสุขเนี่ยทนได้ทําผ่านไปได้สักช่วงนะใจค่อยมีกําลังเข้มแข็งขึ้น วิริยะมันเพิ่มเองแหะพรภาวนาแล้วมีความสุขภาวนาแล้วมีความสุขเรื่องอะไรจะมีความสุข10นาทีใช่ไหมใจมันก็อยากภาวนามากขึ้นมากขึ้นขยันหมั่นเพียรมากขึ้นยิ่งเดินจงกรมก็ยิ่งมีความสุขยิ่งนั่งสมาธิยิ่งมีความสุขนะทำสมถะก็มีความสุขทํำวิปัสสนาก็มีความสุขไปอีกแบบไม่เหมือนกันทําสมถะเนี่ยนะทำถ้าชํานาญมีวสีนะทำเมื่อไรมีความสุขมืนั้นเลยนะ แต่ว่าการเจริญปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นนะการเจริญปัญญาบางทีทั้งครึ่งเดือนเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานิดหน่อยนี่นะจิตใจจะมีความสุขนะอิมเมเบิกบานอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็หมดแล้วแห้งแล้งไม่เหมือนสมรรทนะสมรรทถ้าชํานาญแล้ว น, น, นั่งเมื่อไหร่ก็มีความสุขเม่อนั้นปัญญาไม่เกิดบ่อยถ้าปัญญาเกิดบ่อยไม่ใช่ปัญญาตัวจริงเป็นปัญญาชิดเอาเอง เกิดทุกวันมีปัญญาทุกวันนะปัญญาหลอกๆนะไม่ใช่ของจริงหรอกถ้าปัญญาที่จิตมันรู้มันเห็นมันเข้าใจแจม่มแจ้งขึ้นมานะโอ้ยมันแชม่มชื่นใจนะมันมีความสุขสุขคนละแบบกับสมถะสมถามันสุขแบบเด็กไร้เดียงสาวิปัสนาเนี่ยถ้าเกิดปัญญาแล้วมันมีความสุขเหมือนผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตความสงขมันคนละแบบสมถามสุขแบบเด็กเล่นดินเล่นทรายอะไรงั้นไปมันก็มีความสุขนะ เลเปลื่นไปมีปรั ส, สนามันความสุขของผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันอิ่มเมอิบใจข้อละแบบกันเนี่ยพอเราเห็นผลของการปฏิบัตินะความเพียรมันจะมากขึ้นมากขึ้นเห็นผลของการปฏิบัติศรัทธาก็มากขึ้นเรื่อยๆเห็นผลของการปฏิบัตินะความเพียรมันก็มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งขยันปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วดีปฏิบัติแล้วสุขปฏิบัติแล้วของที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นน่าสนใจมาก หลวงพ่อตอนเด็กๆนะอยากได้นิพพานไม่รู้หรอกนิพพานหน้าตาเป็นยังไง <Okay. S 1> ไปหาท่านพ่อหลีพ่อพาไปไปเองไม่ได้ตอนเด็ก <Okay. S 1> ไปท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1 ห, หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2นับไปถึง10นะั่นแล้วลงมา987ปเหมือนปล่อยจรวดนะ่ะพ่อทำให้เป็นนับเลขถอยหลังยังไม่ชํานาญเลยตอนนั้น้นับไปถึงร้อยเลยไม่ไม่ถึง9ก้ถึงสิหรอกนับไป1 1บเนับไปถึงร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่ เรื่อมีการแอพพลายนะให้เข้ากับความสามารถเฉพาะตัวก้อความสามารถเรานับเรียกถอยหลังยังไม่เป็นตอนนั้นทําแล้วก็มันมีความสุขมีความสุขแล้วก็ไม่เลิกเลยคราวนี้ทุกวันก็ทําไปเรื่อยก็มีความสุขของสมาธินะตามมามาเจอหลวงปู่ดูลตอนนี้อายุเยอะแล้วอายุยีเลยถึงจะเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่อาศจรมากเลยนะ ปัญญาท่านเนี่ยแก่กล้ามากสมาธิอะไรต่ออะไรท่านเพียบพร้อมไปหมดไหมก่อนจะสอนกรรมฐานใครสักคนนะถ้าท่านเห็นแววว่าเอาดีจริงนะจะเอาจริงอนะ่ะท่านไม่สอนง่ายอ่่านจะนั่งหลับตาสอบประวัติเราเกือบชั่วโมงเราถึงจะสอนแล้วส อ, สอนประโยคนสองประโยคเองท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตดูใจตัวเองไม่ใช่เริ่มต้นจากการดูกายเลยหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อเนี่ยสอนเ ข, ข้าดูจิตเลย สอนบางองค์ก็สอนดูกกลสอนมีหลายแบบพอหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนะแต่และ ว, วันเนี่ยมันเหมือนมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ตลอดเวลาสนุกมากเลยกับการดูจิตนะมีฉันทามิทิยาก็เกิดเองฉันทามีความพอใจที่ได้ดูจิตตัวเองมันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาตัวของเราเองแท้ๆนะก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมันก็ยิ่งฮึกเหิมนะยิ่งขยันภาวนาลืมคําว่านิพพานไปเลยไม่ได้ภาวนานิพพานแล้วแต่ภาวนาเพื่อจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจของตัวเองเรื่อยๆไปเนีเรียนรู้เพื่อจะให้รู้นะไม่ใช่เรียนรู้เพื่อจะเอาอะไรเลยเรียนรู้เพื่อจะรู้เท่านั้นเองดันั้นในที่สุดก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะ เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะ่ยก็คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองงั้นถ้าเราเรียนเพื่อจะเอาอย่างอื่นเนีเรียนยากเนื่องเรียนไม่ตรงวัตถุประสงค์แต่ถ้าเราเรียนเพื่อจะรู้ถูกเข้าใจถูกในกายในใจนี้นะเนี่ยว่าเราตรงวัตถุประสงค์ของความเป็นชาวพุทธละพารู้ถูกเข้าใจถูกแล้วใจมันจะปล่อยวางเองพารู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพรเบื่อหน่ยนายจึงคลายกำหนัดเพรคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพรหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทําต้นทางเลยคือรู้ถูก นนเนี่ยขยันรู้เลยนะเพราะแม่มันน่ารู้มีอะไรแปลกๆให้รู้ตลอดนะทุกวันนะเฝ้ารู้เฝ้ารู้ไปด้วยรู้แล้วบางทีเกิดความเข้าใจขึ้นตรงความเข้าใจคือปัญญานานๆเกิดทีหนึ่งบางช่วงความเข้าใจไม่เกิดเลยตั้งเดือนนะใจชักไม่สบายใจรู้สึกการภาวนาไม่ก้าวหน้าจะได้เวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์แล้วยังไม่มีผลงานอะไรนี่นะเร่งใหญ่เลยยิ่งเด้งยิ่งเลอะเลอะเทอะใช้ไม่ได้เลย เรงสุดขีดแล้วไม่ได้เรื่องแล้วปล่อยปล่อยก็ดีทุกดีเลยนะแต่ตอนจะปล่อยแล้วดีเนี่ยต้องทํามาสุดขีดก่อนนะถ้ายังไม่ได้ทําเลยก็ปล่อยปล่อยปล่อยทุกวันปล่อยอะไรปล่อยกิเลสปล่อยโง่มาเต็มไปหมดแล้วต้องขยันดูนะขยันดูเนี่ยพอเราเห็นผลของการปฏิบัตินะศรัทธามันก็เพิ่มวิริยะมันก็เพิ่มไปเรื่อยขยันภาวนาภาวนาแล้วมันสนุกสนานมีความสุข ได้รู้ได้เห็นนะได้เข้าใจมากมาขึ้นมากขึ้นสติก็เหมือนกันยิ่งเราขยันภาวนานะส ต, สติก็ยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นหัดใหม่ๆเรารู้แต่ของหยาบต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ว่าโกรธต้องโลภแรงๆถึงจะรู้ว่าโลภบางทีตวดแรงยังไม่รู้เลยนี่สติไม่เกิดเลยหัดใหม่ๆก็รู้ของหยาบพอฝึกมากเข้ามากเข้านะของละเอียดนันก็เริ่มเห็นขึ้นแต่เดิมต้องเห็นโกรธแรงๆถึงจะเห <humili. S 2> ็นต่อมานะแค่ เดินออกไปนอกห้องเนี่ยแสงแดดกระทบเปลือกตานี่เกิดความขัดใจเกิดปฏิฆาละขัดใจแล้วแค่แดดกระทบตานิดเดียวไม่พอใจละหรือนั่งอยู่ในห้องนั้นหนาวหนาวนะใค ร, ปรเปิดหน้าต่างรับ ล, ลมหนาวเยือกเข้ามานะไม่พอใจนะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนลมพัดเข้ามานะราคาก็เกิดเนี่ยแค่นี้เดียวแค่นี้นะ แสงแดดสายลมและแสงแดดนี่แหละพาให้กิเลสเกิดเพียบเลยพวกรักสายลมและแสงแดดระวังให้ดีครับ <c oughs> มืนจะเวียนว่ายตายเกิดมาด้วยจักจบจากสิ้นรักสายลมและแสงแดดรักธรรมชาติและเสียงเพลงรักความยุติธรรมพวกเหลวไหลลมพัดมาก็มีกิเลสมาด้วยนะแดดมากระทบก็มีกิเลสมาด้วยเวลาค่าก็โทสะใช่หไหมเล็กๆ เนี่ค่อยฝึกนั่งกระทั่งกิเลสเล็กๆก็มองเห็นหรือฝึกแต่เดิมเซลล์จัดไม่เห็นเลยพอฝึกมากเข้ามากเข้านะแค่ทิ้งขยะยังเห็นเลยประกอบเบื้องหลังของการโยนขยะไปทิ้งนี่มีเซลล์อยู่ด้วยมีกูเก่งกูแน่ไว้กูหนึ่งไว้นี่แหละกูเนี่ยซ่อนอยู่มันละเอีดยดละเอียดขึ้นนะงั้หัดภาวนานะทีแรกสติก็เกิดช้าเกิดน้อยรู้สภาวะได้เฉพาะของหยาบ ต่อไปสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะสภาวะละเอียดละเอียดก็รู้ก็เห็นกิเลสชั้นละเอียดนี่ละเอียดละเอียดมากนะกิเลสชั้นสูงสูงนะหน้าตาเหมือนกุศลเลยยิ่งสั่งยอดเบื้องสูงห้าตัวเนี่ยหน้าเหมือนกุศลเลยนะมีอะไรบ้างสั่งยอดเบื้องสูงให้ตับได้บ้างไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ไปหาอ่านเอาไม่เทศละก <c oughs> ันจะเหมือนกุศลเลยนะเหมือนกุศล รูปปัตานะรูปปัตานะคะอะไรเงี้นะดูเป็นคนรักความสงบดีไหมรักความสงบรักความสงบฟังเราดีใช่ไหมรักความฟุ้งซ่านดีไหมรักฟุ้งซ่านเป็นดีรักสงบดีเนี่ยแต่พอใจยินดีไม่รู้ว่าพอใจไม่รู้ว่ายินดีนี่มีราคะซ่อนอยู่ในการที่เพ่งรูปเพง่งหนาะมรักความว่างชอบความว่างเขนะบอกว่าไม่มีกิเลสแน่นันกกิเลสอยู่ ติดอยู่ในความว่างก็มีอรูปปรารักะเราไม่เห็นเองต้องค่อยฝึกนะกิเลส ช, ชั้นสูงเนะี่ยหน้าตาเหมือนกูศลเลยนะความฟุ้งซ่านอุทัจจะว่าจะไม่เทศนะเทศนสหน่อยก็ได้หน้าตาแปลวแป๋วให้ไปอ่านเองคงไม่ไปอ่านหน้าตาขี้เกียจเงี้ยไม่ค่อยขวนขวายนะอุทัจจะนะอุทัจจะอย่างที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นอุทัจานิวรณ์คือใจฟุ้งซ่าน ฟุ้งไปอารมณ์โน้นฟุ้งไปอารมณ์มณนี้วิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าอุทธจักรที่เรารู้จักตัวที่จะสู้มันก็คือสมาธินะทำสมาธิสู้ได้แต่สังโยชนั้นะไปอีกแบบหนึ่งไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านเลยนะเพราะคนที่จะไปสู้กับอุทธจักรสังโยชน์คือพระอนาคาสมาธิบริบูรณ์ไม่มีคําว่าฟุ้งซ่านอีกแล้วแต่ยังมีอุทธจักรอยู่อุทธจักรตัวเนี้มันเป็นความที่จิตดิ้นรน จิตดิ้นรนสแสวงหาธรรมะอยากปฏิบัติอยากให้พ้นไปสุกทีนะาหาทางทํำยังไงจะดีทํำยังไงจะดีพวกเราเคยรู้สึกไหมบางครั้งเราก็นึกนะตื่นนอนมาแล้วก็นึกนะว่าจะปฏิบัติยังไงแล้วจะดีเนี่ยรู้จักมาบ้างนะเนี่ยเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของอุทัศจะสังโยชนุ่งสัน้นแสวงหานะันะ่นะอยากสแสวงหาใจดิ้นดิ้นดิ น, ดนไม่ไเลกเยทําไงจะหลุดพ้นทําไงจะหลุดพ้นทําไงจะปฏิบัติได้ดีกว่านี้อีก ใจมีคาดิ้นดิ้นอยู่ยงั้นนะแล้วมีอะไรอีกมานะมานะนะอย่างพวกเรามีมานะมันจะมีกูเก่งนะพอภาวนาสูงขึ้นไปที่จะไปเจอมานะละเอียดนะกลายเป็นกูไม่เก่งกูไม่เก่งนะไม่ใช่กูเก่งนะอไม่ดีเลยสู้เขาไม่ได้นะหมาถึงสู้ใครสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์สะอาดสะอาดนะทาไมเรามอมอย่างนี้แค่อย่างนี้ไม่ได้คิด เทียบครูบาจารย์เลยนะแต่ใจมันรู้สึกว่าโอ้ท่านดีจังเลยเมื่อไหร่จะดีอย่างท่านนะมีท่านมีเราขึ้นมานะมีการเทียบเทียบสภาวะของตัวเองกับของคนอื่นขึ้นมามันก็เป็นมานะแล้วล่ะโอ้ันละเอียดนะยิ่งอวิชาเนี่ยสุดยอดละเอียดเลยลงตามมหาบัวสอนนะจิตผู้รู้นั่นแหละจิตอวิชาหลวงปูเทศท่านก็สอนนยะตัวเข้ามาเป็นใจของเรานี่แหละ มีอวิชาซ่อนอยู่ข้างในเคยเคยถามท่านตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้บวชหรอกพัฒนามาช่วงหนึ่งแล้วเข้าไปถามท่านบอกหลวงปู่ผมเห็นจิตต้นกําเนิดแล้วล่ะจิตต้นกําเนิดนะั่นมันมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในทาไงจะทําลายมันได้ท่านก็สอนเยอะนะแจกแจงให้ฟังมันทำลายตัวอวิชาจิตต้นกําเนิดนะีจิต อวิชานะหรือจิตผู้รู้ตัวเดียวกันที่พวกเราจะฝึกหาจิตผู้รู้นะให้มีจิตผู้รู้นะ <c oughs> ล้วจิตผู้รู้นะั้นแหละยังเป็นจิตอวิชาอยู่แต่อาศัยเป็นก่อนนะวันหนึ่งก็ค่อยมาทําลายตัวนี้ลงไปอีกทีหนึ่งดูแล้วมันละเอียดละเอียดนะมันสว่างมันฝ่องใสนะมันมีอวิชชาซ่อนอยู่ถ้าหยามหยาเพิ่มมาไม่ใช่อวิชานะมันตื้น เป็นกิเลสหยาบๆยาบนะตรงที่จิตเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั น, นะเอาวิชาซ่อนอยู่ที่นั่นเองไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกทุกอะไรไม่รู้ว่าตัวผู้รู้แหละตัวทุกมันบังกันอยู่นิดเดียวเองถ้าเห็นตัวผู้รู้เป็นตัวทุกเรียกว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งนละ้ถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งเมนะื่อไหร่นะก็หมดความยึดถือจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเลย จะสลัดคืนตัวรู้คืนตัวรู้ให้โลกไปก็สลัดตัวรู้ทิง้งตัณหาจะไม่เกิดอีกทันทีที่รู้ถุกนะสลัดตัวทุกออกไปนะพอรู้ถูกแยมแจ้งมันจะสลัดทิ้งเองสลัดคืนเรียกสลัดคืนปฏิทินสัตว์สลัดคืนจริงๆคืนโลกนะเนื้อทำคำแต่ละคําในพระไตรปิฎกในทําหลับทารานะตรงเป๊ะๆเลย เห็นทุกข์ยำแจ้งเห็นตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเต่างก็สลัดคืนตัวผู้รู้ให้โลกไปในขณะนั้นละสมุทัยเรียบร้อยแล้วความอยากยังไม่เกิดขึ้นอีกละรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ลาสมุทัยในขณะเดียวกันเลยแลในขณะนั้นแจ้งนิโรธแจ้งพระนิพพานเลยในขณะเดียวกันในขณะนั้นเกิดอริยมรรคเลยในขณะเดียวกันนั้นแหะ อาศจันอาศจันที่สุดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราต้องพากเปลี่ยนนะค่อยศึกษาไปเรื่อยสติก็ต้องละเอียดขึ้นศรัทธาวิริยะสติต้องดีขึ้นดีขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตใจต้องอยู่กันเนืกับตัวจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้รู้ใบเอาสติได้นลไปรู้สมาธิก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อไปจิตจะไปนคนดู เห็นทุกอย่างแสดงรูปธรรมแสดงละครให้ดูนามธรรมแสดงละครให้ดูโลภโกรดหลงก็แสดงละครให้เราดูนะสุขทุกข์ก็แสดงละครให้เราดูใจเป็นคนดูนี่เรื่อใจมีสมาธินะปัญญาก็จะเกิดที่จะเห็นเลยรูปธรรมที่แสดงละครมันก็แค่ละครละครมันไม่ใช่ของจริงหรอกนามธรรมทั้งหลายนะพวกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนะก็แสดงละครให้เราดูไม่ใช่ของจริงอะไรหรอก ไม่มีตัวมีตนตัวจิตเองก็แสดงละครนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นใจใจก็เล่นละครให้เราดูอีกนะปัญญามันก็เกิดนะมีแต่ละครนะมีแต่ของหลอกนะมีแต่ภาพดวงตานะขันห้านี้ไม่มีจริงมีขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนภาพดวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดนะเห็นนะปัญญาแก่กล้าก็ลปล่อย เราปล่อยขันไปเป็นลดับนะเบื้องต้นนี่ยปล่อยรูปประธรรมไปก่อนเบื้องปลายก็ปล่อยนามมาทำปล่อยรูปประธรรมได้ได้ผ้านาคาปล่อยนามมาทำได้ก็หมดละจบกิจไม่มีธุระที่จะต้องปฏิบัติอีกแล้วไปฝึกเอานะต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้วจะรักพระพุทธเจ้าไม่ใช่กูเก่งนะภาวนาแทบเป็นแทบตาย แล้วจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเก่งไม่ใช่กูเก่งหรอกว่ากูไม่มีกูไม่มีเงินว่างจากความเป็นตัวเป็นตนอไปชันทานข้าวกันแปไป